รบัญญั 1,155 ก็ภิกษุณีใดกล่าวกับสิขาม า, าว่าแม่คุณถ้าเธอจะติดตามเราตลอดสองปีเมื่อเป็นอย่างนั้นเราก็จะบวชให้เธอภายหลังภิกษุณีนั้นผู้ไม่มีอันตรายไม่บวชให้ไม่ควนขวายใช้ให้บวชให้ต้องอบัติปาจิตตีเรื่องภิกษุณีทุลนันธาจบ